วันนี้เป็นวันที่สิบเอ็ดธันวาคมพุทธศักราช2557ห้าเจ็ดพระในวัดของเราวันนี้ส0มสบสาสิบโรบนะหลวงมาชันย8สบดงดชันสองเมื่อวานหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับวิธีการทำสมาธิเพราะพวกเราเป็นลูกศิษย์พระกรรมฐาน เราต้องฝึกหัดในการเรียนรู้เพื่อการศึกษาในแนววิววธีหลายวิธีการเราไม่ได้ใช่เราเรียนประยัติธรรมการเรียนปริยัติธรรมคือเรียนแผนที่แต่พวกเราเรียนปฏิบัติคือเดินตามแผนที่เพราะนั้นการเดินตามแผนที่แผนที่บอก หลายแนวทางอย่างพวกเราจุดประสงค์ของเราก็คือกรุงกรุงเทพมหานครเราจะเดินทางไปทางไหนถ้าว่าเราจะเดินทางไปกรุงเทพเนี่ยเราจะอาจจะขึ้นไปทางจังหวัดเลยพิษณุโลกลงไปทางสุขโขทยัยไปทางนู้นก็ได้หรือเราจะไปทางขอนแก่นโคราช ก็ได้เรือเราจะไปโคราชไปทางจังหวัดละยองเข้าทางกรุงเทพก็ได้อันนี้ก็คือแต่ถึงยังไงก็คือจุดหมายปลายทางก็คือกรุงเทพมหานครนี้ก็เหมือนกันการที่จะภาวนาแล้วยังไงก็ตามจุดหมายปลายทางคือคือเพื่อชําระกิเลสให้หมดจดแล้วก็ถึงพระนิพพาน <c oughs> พระนิพพานถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับกรุงเทพมหานครนะแต่เราจะเดินอย่างไงเดินอย่างไงจึงจะถึงจะมาจากภาคใต้ก็เข้ามาถึงกรุงกรุงเทพได้ภาคตะวันออกก็ถึงกรุงเทพได้ภาคตะวันตกภาคเหนือภาคอีสานก็ไปถึงกรุงเทพได้แต่วิธีการเดินเดินมักนั้นเดินอย่างไร อันนี้ก็พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่และองค์ท่านถนัดทางไหนท่านก็ชี้แนวทางให้กับพวกเราแต่ถึงยังไงพวกเราเป็นสิทธิานุสิทธิของหลวงปู่มั่นสายหลวงปู่มั่นเขาก็บอกว่าหลวงปู่มั่นภาวนาพุทโธนี่แหละอันนี้ก็คือกรรมฐาน ที่พวกเราเข้ามาเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้แนวแถวปฏิปทาของสายหลงปู่มั่นที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายนี้ท่านสอนอย่างไรพวกเราให้ศึกษาในรายละเอียดอย่าไปตับจับเอาเรื่องนั้นมาชนเรื่องนี้เอาเรื่องนี้ไปชนเรื่องนั้นแต่ทําไมไปหาครูบาอาจารย์องค์หนึ่งทําไมถึงสอนอย่างหนึ่ง ทำไมองค์หนึ่งจึงสอนอย่างหนึ่งแต่หลวงพ่อเคยบอกเคยกล่าวกับคณารทชาญาติโยมพระเนนลูกหลานทุกองอบอกว่าการหาเงินมีหลายแนวทางทำไร่ข้อโพดก็ใช่ได้เงินยางพาราก็ได้เงินทานาเกียวทานาทำข้าวก็ได้เงินมันสังสมปรหลังก็ได้เงิน เป็นข้าราชการมีเย่อแยะแต่ละหน่วยงานก็ได้เงินด้วยกันเพราะฉะนั้นการหาเงินมันมีหลายหลายแนวหลายแนวทางแต่พวกเราศึกษาในปฏิปทาของสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนอย่างไรวิธีการดาเนินชีวิตของท่านที่ท่านได้มักได้ผลเราก็เชื่อแนวปฏิปทาขององค์หลวงปู่ครูบาอาจารย์ านั้นให้เราเดินตามแนวแถวปฏิปทาของท่านเพราะเราเชื่อมั่นในปฏิปทาของหลวงปู่มั่นต้นตระกูลของเราหลายองค์ที่ท่านจากไปกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นประทาตให้พวกเราได้รู้ได้เห็นตำตาตำใจของพวกเราแต่บางคนบางท่านก็ว่า อาจจะเป็นของแปลบปลอมก็ได้อันนั้นก็เราก็ไม่ยืนยันร้อยเปอร์เซนต์บางคนก็อยากจะให้ครูบาอาจารย์ตัวเองดังก็มีแต่บางครั้งแต่บางคนด้วยได้เก็บอติธาต์ของพระ อ, องค์ท่านแต่ละองค์เกิดกับตัวเองอันนั้นเกี่วพูดไม่ออกอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเชื่อร้อยทังร้อยพอหลวงพ่อได้เก็บไว้แล้วก็เป็น แก้วเป็นกระจกขึ้นมาอย่างตะกอนไม่เคยมีอย่างนั้นเพราะนั้นหลวงพ่อจึงเชื่อว่าอธิธฐานของผู้บริสุทธิ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงแปลเปลี่ยนไปได้เพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงบอกแล้วย้ำอีกว่าแนวปฏิบัติของหลวงปู่มั่นของพวกเราเป็นสายของพระอรหรันต์เพราะว่ากระดูกคล้องขั้นที่อยากไปท่านก็ได้แปลเปลี่ยน เป็นพระธาตุขึ้นมาให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอย่างที่วัดสุดทาวาสเนี่ยเมื่อท่านหลวงรับดับขันไปกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุก็เป็นที่ฮือฮากันพอสมควรในยุคสมัยนั้นาจากนั้นก็ได้รู้มีมากขึ้นเรื่อยๆอที่อัฐิพระธาตุของหลวงปู่แล้วก็จางนั้นก็เป็นของครูบาอาจารย์ อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นนี่เราก็น่าจะตายใจมั่นใจได้ว่าแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยท่านปฏิบัติจยงไงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างไงท่านปฏิบัติตนอย่างไรท่านดำเนินมาตั้งแต่เรื่องศีลพอศีลแล้วก็สมาธิแล้วกัปัญญาแต่เรื่องศีล พระของเราก็ศิน2 2 7ศยี่ิลของคราว่าก็คือศิลห้าสิสอุโบสถคื อ, อโบสถ์ศินคือศินแปดอันนี้คือการรักษากายว่าจะให้เรียบร้อยเมื่อพวกเรารักษากายว่าจะเรียบร้อยแล้วกายไม่มีโทษว่าจาไม่มีโทษเพราะใจคิดไปในทางสัมมาทิฏฐิคิดไปในทางที่ถูกต้องการแสดงออกทางกาย ก็เป็นกายที่ไปนในทางที่เป็นศีลเป็นธรรมแสดงออกทางวาจาก็เป็นวาจาที่เป็นศีลเป็นธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อกายวาจาของเราเป็นศีลเป็นธรรมแล้วเราจะทําเราจะนั่งสมาธิหรือเราจะปฏิบัติทำใจของเราก็เข้าสู่ความสงบได้ง่าย จิตใจของเราเป็นสมาธิได้ง่ายเพราะว่ากายวายจาของเราไม่มีโทษนี่แหละท่านก็นแนะนำอย่างนั้นคือให้มีศีลซะก่อนแต่บางท่านบางคนก็บอกว่าต้องรักษาศีลซะก่อนจึงนั่งสมาธิอย่างนั้นใช่ไหมแต่ตามไม่จริงก็ไม่ถึงขนาดนั้นในขณะที่เรานั่งสมาธิเราก็เป็นศีนลในช่วงนั้นเพราะจิตใจของเราคิดไปในทาง ที่ดีคิดไปในทางสมาธิในช่วงนั้นที่นั่งสมาธิเราก็คงจะไม่ดา่าไม่ว่าใครเราเราคงจะไม่ทำความชั่วฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในขณะที่นั่งสมาธิเพราะนั้นในขณะที่นั่งสมาธิมันก็เป็นศีลในช่วขณะที่นั่งจากนั้นใจของเราก็เริ่มในปัจจุบันในปัจจุบันขณะที่นั่งก็เป็นศีลในตัวแล้ว จากนั้นเราก็ตั้งจิตแน่วแน่ให้อยู่ใจใจของตัวเองให้นี่อยู่อยู่ในสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าพุทใหายใจออกโทอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเมื่อวานนี้วิธีการนั่งสมาธิทำยังไงแต่วันนี้หลวงพ่อจะแนะนำเรื่องวิธีเดินจงกรมเ่เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยพูดเรื่องสมาธิวิธีการนั่งสมาธิก่อนที่นั่งสมาธิ เราพักผ่อนแล้วไปพักอยู่ที่ใดให้เรากราบไปทางที่เราว่าเหมาะสมกราบไหว้ถึงพุทธโธธรรมโมสังโฆเราไม่ใช่กราบลมกราบกราบแรงนะกราบลำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กราบพุทธโธธรรมโมสังโฆแล้วก็นั่งสมาธิอย่างที่หลวงพ่อได้บอกได้กล่าวให้คณะจตหาญาติโยมได้ทราบ แต่วันนี้หลวงพ่อจะแนะนําวิธีการเดินจงกรมตามแนวแถวปฏิปทานและแนวแถวหลวงปู่มั่นที่ท่านให้เดินจงกรมแต่ว่าการเดินโงกรมก็มีหลายวิธีสรุปแล้วก็คือการเดินก็ให้มีสติในการเดินเราจะเดินยังไงก็ได้เดินให้มีสติในการเดินแต่มีอุบาสิกาท่านหนึ่งเมื่ออายุมากแล้วท่านก็เบื่อเบื่อ เบื่อลูกลูกเบื่อล้านหลานของท่านท่านก็ไปบวชเป็นภิกษุณีอยู่ในวัดท่านก็เป็นผู้ไฝ่ในการประพฤติปฏิบัติเพราะชีวิตแก่แล้วไม่ได้มุ่งหวังอะไรแล้วมีแต่จะเดินไปข้างหน้าจะทำยังไงจึงจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเพราะนั้นท่านจึงเน้นในอริยบททั้งสี่ยืนเดินนั่งโดยมากจะยืนเดินนั่งจะมากกว่านอนเป็นส่วนน้อย จากนั้นภิกษุธีคนนี้ท่านกา็กลางคืนสมัยนั้นคงไม่มีไฟฟ้านะไม่มีไฟเทียนอยู่แบบสมัทธะนะแต่ท่านก็เอามือกาดเกาะต้นเสานะคนเสาก็คงเป็ น, ปนต้นเสาอยู่ในกลางศาลานะคงจะไม่เป็นอย่างศาลาของเราเดี๋ยวนี้นะคงจะเป็นเสาอยู่กลางศาลาที่เปรีย บ, ยบนะมือข้างขวาท่านก็เกาะเสาศาลา เกาะแล้วก็เดินรอบเสาศาลาแนะบริกรรมและกำหนดดูกรรมฐานที่ท่านได้เรียนได้ศึกษามาเป็นการพิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือบวาภาวนาพุทโธธรรมโมสังโฆานาปนสติอะไรก็สุดแท้แต่ท่านก็เดินรอบศาลารอบเสารอบเสากลางกลางศาลานะเอามือข้างขวาเกาะเสา แล้วก็เดินรอบเสาเดินช้าๆนะเออจากนั้นจิตใจของท่านท่านก็ได้สำเร็จเข้าสู่ความสงบพอสงบเสร็จแล้วท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์อันนี้ก็คือมาในพระไตรปิฎกเป็นภิกษุณีอายุมากอายุแก่กางคือกางคืนท่านจะเดินไปเสร็จไหนก็ซุ่มซามเดี๋ยวจะหกล้มใช่ไหมท่านก็เอามือเกาะต้นเสามือข้างขวาเกาะต้นเสาแล้วก็เดิน เวียนรอบต้นเสาเดินช้าๆนะถ้าเดินเร็วมันก็คงจะวิ่งเวียนศีรษะพราะเดินระยะใกล้นะอันนี้ก็คือวิธีการเดินจงกรมท่านไม่ได้ว่าเดินหยอกเงิ น, เ ด, นเดินอย่างนี้แต่นี้เรามายึดแนวแถวหลวงปู่มั่นท่านแนะนําสั่งสอนท่านเดินอย่างไรตามปฏิปทาของครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นเพราะท่านหลวงพ่อในศึกษามาในแนวแถวสายนี้ หลวงพ่อก็จะแนะนําให้พี่น้องศรัทธาย่านโยมลูกหลานที่มาเกี่ยวข้องวิธีการเดินยังกรมวิธีการเดินยังกรมในทางที่ถูกต้องตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นแนะนํานั้นท่านทําอย่างไรหนะลวงพ่อยังสมัยเป็นเนนครูบาอาจารย์ถ้าก็บอกว่านี้นะทางเดินยังกรมอทานเดินยังกรมก็มีท่านทําไว้แล้วนะอท่านปรับเป็นสถานที่เรียบรา แดีวเราก็ดูถ้ามันมีหินมีหินมินตอไม้มีอะไรขึ้นเราก็ออกซะหรือออกค้อนทุบๆหรือเอาอะไรกระตุกกระตุกลงให้มันยกไปลงไปในดินคือสรุปแล้วคือให้มันเรียบราบไม่ให้มันสะดุดนะไม่ให้มันสะดุดเพราะสม่ไมก่อนการเดินยึดข่มท่านไม่ได้ใส่รองเท้า <c oughs> ถึงจะใส่รองเท้าก็าเถอะก็ต้องเป็นที่สถานที่เรียบเรียบ เรื่นเรียบไม่ให้มีสะดุดนะดูให้เรียบร้อยจากนั้นก็ทางเดินยองกรมโดยมากประมาณสักสิบเก้าเก้าเป็นอย่างน้อยหรือว่าสิบห้าเก้านที่สุดก็คือสิบห้าเก้าแต่ยาวที่สุดก็ประมาณสามสิบเก้าโดยมากนะที่ท่านทำเอาไว้ น, ะนี้นเมื่อเรา จะเดินจงกรมเราตรวจตราดูทางจงกรมของเราเรียบร้อยแล้วนะไม่มีตอไม่มีสะดุดไม่มีก้อนหินอะไรโผล่ขึ้นมาไม่มีมดที่เป็นทางผ่านเราก็ดนเดินดูถ้าเห็นหมดผ่านเราก็เอากระดาษหรือกิ่งไม้ไปพาดตรงที่มดผ่านเพื่อเราจะไม่ได้เหยียบมดถ่าเราเดินข้ามไปข้ามมาหลายๆครั้งมดมันก็หนีเหมือนกันนะ พอมันมันเดินเราก็เดินข้ามมันแต่ใหม่ๆเนี่ยเราก็ต้องเอาเก่งไม้หรือใบไม้ที่เป็นสังเกตให้เราเดินข้ามมันอย่าไปเหยียบมันเป็นสัตว์ที่ฉาดถ้าเหยียบมันมันก็ถึงตายได้เพราะนั้นเราก็ต้องระวังอีกเหมือนกันแต่ถึงอย่างไงเราก็ต้องระวังตรงที่เเดินข้ามแต่เมื่อเราตรวจตราทางเดินคมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็มายืนอยู่สุดทางจงกรมข้างใดข้างหนึ่งพยอยืนหยุดสุดอยู่ทางจงกรมข้างใดข้างหนึ่งเราก็ยืนประนมมือประนมมือขึ้นในระหว่าง อ, อกไหว้ครูซะก่อนที่การเดินการเดินยังกรมเนี่ยไม่ใช่เราคิดได้ไม่ใช่ผู้ใดใครคิดขึ้นมาได้เป็นการเดินที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เปลี่ยนอริยบทคือยืนเดินนั่งนอน เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเปลี่ยนอริยบทในการเดินการยืนเดินนั่งนอนคือการภาวนาเพราะฉะนั้นเราจะเดินยงกลมก็คือเป็นแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่ได้ถว่าให้เปลี่ยนอริยบทในการเดินเดินให้นทำยังไงเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเดินเราก็ปนมมือขึ้นระหว่างอกไหวครูซะก่อนคือไหวพุทธพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ไหวพุโทโธ ธรมโมสังโฆพุทโฆธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบในระหว่างเรายืนอยู่สุดทางจงกลมข้างใดข้างหนึ่งจากนั้นก็แผ่เมตตาข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไถ่โลกธาตุขอขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆ ดวงวิญญาณอันนี้คือเราแผ่เมตตาเราไม่เป็นพิษเป็นภัยกับผู้ใดใครผู้หนึ่งตั้งแต่ก่อนเราก็เป็นห่วง เ, เคยค่าว่าเราไม่พอใจกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายใครก็ตามแต่ในช่วงที่เราเดินยังกรมเนะ่เราปล่อยวางทั้งหมดเราจะแผ่เมตตาให้ทุกคนในช่วงนั้น ถึงจะมีโทรศัพท์ก็ปิดไว้ก่อนถึงจะมีอะไรก็ปิดไว้ก่อนในช่วงนั้นคล้ายๆว่าปิดโลกภายนอกปิดหูปิดตาพูดง่ายๆไม่ต้องสนใจกับเรื่องอะไรคือสนใจในตัวของเราเท่านั้นในช่วงนั้นเราจะใช้เวลานานเท่าไหร่ในการเดินของเราเราก็ตั้งไว้ในใจจากนั้นก็อมมือลงอมมือลงอามือประสานกันนะประสานที่ท้องที่ท้องน้อยนะ คล้ายๆเอามือขวาทับมือซ้ายเอามือขวาอยู่ข้างในเอามือซ้ายอยู่ข้างนอกถ้ามันงายขึ้นมาก็เหมือนกันนั่งสมาธิอย่างนั้นแหะแต่ถ้าเรายืนเราก็มือขวาอยู่ข้างในมือซ้ายอยู่ข้างนอกจากนั้นเราก็ก้าวเดินขาขวาพุธขาซ้ายโถแต่ไม่ต้องเดินช้านะอย่าไปเดินช้าแต่เดินตามปกติที่เราเดิน การเดินโยกมเราก็รู้อยู่การเดินเปลี่ยนรียบทนะใจของเรานะมันเร็วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ก้าวเดินพุทโทพุทโทขาขวาพุทขาซ้ายโทขาขวาพุทขาซ้ายโทไปสูนไปถึงสุดทางเดินจงกรมเราก็เอี้ยวเอี้ยวขวานะครเอี้ยวขวากับพระทักษิณ น, นะเอี้ยวขวาหรือจะเอี้ยวซ้ายก็สุดแท้แต่ท่านก็ไม่ได้ใส่ใจถึงขนาดนั้น แต่โดยมากจะเอี้ยวขวามากกว่าพอเลี้ยวขวาเนี่ยพอเลี้ยวขวาจะเริ่มตั้งแล้วก็ขาขวาพุทธขาซ้ายโถพุทโถพุทโถเดินจงเดินเหมือนกับเราเดินตามปกติแล้วก็มาถึงสุดทานยังกรมแล้วก็เลี้ยวขวาเอี้ยวขวาอีกตั้งแล้วก็ขาขวาพุทธขาซ้ายโถพุทโถพุทโถพุทโถนี่แหละวิธีการเดินยังกรมแต่หลงปู่มั่น หลวงปู่ล่าท่านบอกว่าการเดินเย่กลมอย่าเอามือควายหลังถ้าดื้อเอามือควอยหลังขาด <c oughs> เหมือนกับ น, นักเลงเดินขาดความเคารพอยากไวแขนไกวแขวนคล้ายๆเหมือนกับเราเดินธรรมดาไม่ได้มีการเดินภาวนาอย่าเอามือกอดอกเหมือนกับเรามีความทุกข์ในใจ ให้เอามือประสานกันอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องตน้นเอามือประสานกันในระหว่างท้องอทํำงายขึ้นมากับไปว่ามือขวาอยู่ข้างในมือซ้ายอยู่ข้างนอกแต่นี่เราประสานกันจะแม่นเราไม่ได้หงายเหมือนกับสมาธนะิเราเอามือประสานกันแล้วกันอันนี้คือท่าลำพึงท่าคุ้นคิดท่าแสดงความเคารพในการเดินจงกรมนี่แหละ ให้พวกเราวิธีเดินเดินยโยกรมถ้าทําตามแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นแล้วนะพวกเราจะทําต้องทําอย่างนี้คือประสานกันขาขวาพุทธซ้ายโทพุทโธพุทธโธแต่หลวงพ่อก็แนะนําอีกว่าพวกเราท่านทั้งหลายแต่พุทโธมันยังสลับไปอยู่นะให้ทดลองนับอย่างที่ว่านี่หลวงพ่อก็เคยนับนะนับหนึ่งสองขาขวาพุธ ขาซ้ายโทนแต่นี้มาเปลี่ยนใหม่ขาขวาหนึ่งขาขาซ้าย1นึขาขวาสองขาขาซ้าย3ามขาขวาสี่คล้ายๆว่าขาขวาเป็นเลขคู่ขาซ้ายเป็นเลขคี่ค่ะคี่คู่คี่คู่คี่คู่เผลอไหมถ้ามันเผลอแสดงว่าตั้งต้นใหม่ถ้ามันเผลอมันเผลอด้วยอะไรทําไมมันเผลอ ก็ตั้งจิตให้เข้มแข็งขึ้นเองจนนึกถึงร้อยถ้านับถึงร้อยแล้วไม่เพลอหลายครั้งสองสามสี่ครั้งไม่เพลอจากนั้นเราก็ค่อยภาวนาบริกรรมขาขวาพุทธขาซ้ายโอขาขวาพุทธขาซ้ายโทขขพุทธโธพุทธโธพุทโธนี่แหละหรือเราจะขาขวาหนึ่งขาซ้ายสองก็ได้ ก็สุดแท้แต่พวกเราจะตั้งต้นกันแต่ถึงยังไงเอถ้ามันเผลอเราจะรู้ได้สติของเรามันจะเบลอเบ ล, อ เ, ลอเสร็จแล้วมันก็ขาดสมาธินี่แหละวิธีการเดินยังกรมแต่บางท่านบางคน ว, วิธีเดินยังกรมเนี่ยทำจิตให้สงบได้ไหมจิตสงบได้ไหมได้นะเอจิตสงบได้ในะขณะที่เดินยังกรมพอเดินไปแล้วมันถึงที่มันจิตมันไม่ส่งออกไปข้างนอกขวาขาขวาขา ช้ซ้ายเนะี่ยมันจะชิดปัดเข้ามาหากันยืนนิ่งเลย เ, เพราะมันไม่มันจิตไม่สั่งงานใช่ไหมแ เ, เว้นเสียแต่ว่าจิตของเรายังไม่สงบถึงขั้นอัปปนาอัปปนาสมาธินะ่ะถ้าเป็น <c oughs> อุปจารสมาธิอยู่ <c oughs> เวลาจิตสงบขนาดอุปจารสมาธิมันยังสั่งงานได้อยู่มันยังเคลื่อนไหวได้อยู่แต่ที่จิตเป็นอัปปนาสมาธินะเนี่ยอจุดนั้นแหละ ขาขวากับ ข, า, ขาซ้ายเนี่ยมันเช็ดกันเลยหยุดเน่งเลยแปลว่าใจไม่สั่งเพราะมันมันเข้าสู่ความสงบแล้วมันไม่มีมันไม่ไม่มีการสั่งสั่งงานออกไปจนกว่ามันจะจิตของเราจะถอนออกมาในเมื่อถอนออกมาแล้ว เ, เราจึงค่อยก้าวเดินเราก็รู้ได้แก่ใจว่าโอ้เมื่อกี้นี่ใจของเราเข้าสู่ความสงบนะนี่แหละ อันนี้ก็คือวิธีการเราจะพิจารณาเป็นวิปัสสนาก็าได้ในขณะที่เดินวิปัสสนาคือยังไงเมื่อจิตของเราเข้าสู่ความสงบอพอเป็นพื้นฐานแล้วเราก็พิจารณาถึงร่างกายของเราที่ขณะที่เดินเป็นโครงกระดูกนะ เ, เป็นโครงกระดูกเดินใช่ไหมเราเคยเห็นโครงกระดูกอยู่ที่ไหนแล้วก็มาเปรียบเทียบกับโครงกระดูกของเรา ของเรามีศีรษะเป็นกระดูกมีกระดูกคอกระดูกหายปารากระดูกแขนสองข้างกระดูกชี้โครงกระดูกสันหลังกระดูกเชิงกานกระดูกขากระดูกเข่ากระดูกแข้งกระดูกฝ่าเท้าเรามีกระดูกใช่ไหมในร่างกายของเราขณะที่เดินเราไม่ให้ไม่ให้มีเนื้อหนังอะไรติดทั้งหมดให้กําหนดเอากระดูกเดิน ให้เราเอากระดูกเดินให้กําหนดตัวร่างร่างร่างกายของเราเป็นกระดูกนั่นแล้วกว็เดินขาขวาพุทขาซ้ายตัวจะเห็นในใจของเราให้เห็นกระดูกให้เป็นกระดูกเดินเนี่ยแหละอันนี้ก็คือวิปัสนาวิปัสนาวิปัสส น, นึกว่าร่างกายสังขารของเรานะ่ยมันเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างอื่นมันมีโครงกระดูกใช่ไหมใจเนะนี่แหละ ในเมื่อเราเห็นโครงกระดูกของเราเดินทั้งร่างจากนั้นก็ดูที่ใจของเราเยนน้องมันดูที่ใจใจของเราเนี่ยมันมันหลงอะไรเนี่ยร่างกายของเราเป็นกระดูกนะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะใจนะนะนี่แหละอันนี้ก็คือพิธีการเดินอยกมืมทั้งสมสถตาและวิปัสสนาสมสถตาคือทำจิตใจให้สงบ วิปัชนานี่ก็คือการกําหนดร่างกายของเราให้เห็นเป็นกระดูกหรือเป็นอสุภะกสุดแท้แตนะ่จากนั้นเมื่อเราเดินจงกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะออกจากทางเดินจงกรมเราก็ไปยืนหยุดสุดข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็ประนมมื อ, อกราบไหว้พระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งพุทโธธัมโมสังโฆสามจบจากนั้นก็อุทิศ ส, ส่วนกุศล ต่อผู้มีอุปการะคุณที่ข้าพเจ้าได้เดินโยกรมได้ภาวนาในคราวนี้ขอให้ท่านทั้งหลายทุกดวงวิญญาณจงประสบแต่ความสุขกายสบายใจถ้ามีชีวิตอยู่ก็ขอให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขภะภลระลาบยศสรรเสริญสุขท่านดวงวิญญาณที่เรารักเคารพนับถือที่จากไปแล้วอยู่นสถานที่ใดก็ให้รับได้รับส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้บําเพ็ญในคราวนี้คราวนี้ครั้งนี้ ทุกทกดวงวิญญาณด้วยเทิดอันนี้คือเราออกจากสมาธิทุกครั้งเราก็แผ่เมตตาทิศวนกุศลจากนั้นเราก็ออกจากทางเดินยองกมรมนี่และวิธีการเดินยองกรมตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเพราะฉนั้นขอให้พวกเราคณะสัตา ย, ยาติโยมลูกหลานทุกคนนะเราไปเดินจองกรมณสถานที่ใดไม่ต้องสะทกไม่ต้องสะทานไม่ต้องวัดทำอย่นี้ผิด ทำอย่างนี้ถูกไหมไม่ต้องเก้เก๊กลางๆไม่ต้องกลัวใครนะวเว้นเสียแต่เราจะเดินย่างกรมเราจะต้องหาที่สงบสงัดนะไม่ใช่ว่าเดินในสถานที่พุกพ่านวุ่นวายถ้าเราไปเดินในสถานที่พุกวนันวุ่นวายในสถานที่ไม่ถูกต้อง เ, อเดี๋ยวเขาเห็นเอ้ยยายเนี่ยตาแก่คนนี้มันเดินอะไรงกงกงานงานมันไม่ใช่เป็นบ้าหรือนี่ถ้าจะว่าอีกนะเอพราะ น, นั้นเราต้องเดิน เดินมันต้องเดินในมุมสงบในที่ปลอดภัยพอสมควรหรือเป็นที่ส่วนตัวหรืออยู่ในวัดก็เถอะนะถ้าเรามาปฏิบัติธรรมอย่างนี้เราก็รู้จักว่าการเดินยังกลมต่างคนต่างเดินก็ได้เพราะอะไรเพราะอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะการภาวนานเรามาภาวนานัน่งภาวนานแล้วเดินยังกลมอันนี้ไม่เป็นไรทนะ่านเราไปในที่สาธารณะที่เขาไม่รู้เน จุดนั้นเราก็ต้องระมัดระวังอีกเหมือนกันนะคณะทาญาิโยมนะเพราะหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้ใช้ปัญญาใช้ความรอบครอบอไม่ใช่ออกไปที่ไหนทําไปซื้อบื้อไปเรื่อยไม่ได้นะเพราะพุทธศาสนาเป็นาศาสนาที่ให้ใช้สติให้ใช้ปัญญาให้ใช้ความรอบครอบเอขามองเรายังไงที่เราทําอย่างนีอ้อย่างนี้เป็นต้นนะ เนี่ยแหะวันนี้หลวงพ่อได้แนะแนวในการวิธีการเดินจงกรมให้กับพวกคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะเมื่อวานเน้นแนะวิธีการนั่งสมาธินะแต่วันนี้แนะวิธีการเดินจงกรมให้กับพวกเรานะะแต่หลวงพ่อจะไม่ไม่แนะแต่วิธีการนอนภาวนาน่ะไม่แนะพอนอนภาวนากอกหายใจฟืดสองฟืดก็หลับไปแล้วไม่แนะนําะ อาต่อ น, นี้ไปพระ ส, สงฆ์นโมทนาให้พอในตเนน่านะ